เจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดนี้ก็ได้เวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ลุกขึ้นเพื่อทำความเพียรตามหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายแล้วขอให้ท่านสลัดความว่วงเหงาเศร้าซึมให้ออกไปจากดวงจิตทำชีวิตให้มีแต่ความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปเปล่า โดยปราศจากประโยชน์เลยชีวิตนี้มีเรื่องยุ่งมักคาแห่งชีวิตเต็มไปด้วยความยุ่งยากสับสนดารดาษไปด้วยขวากน้ำเหมือนป่าลึกป่าแห่งชีวิตจะมีใครบ้างนะที่ตั้งใจหรือพยายามเพื่อจะเดินออกจากป่านี้ชีวิตทุกชีวิตมักจะมีจุดหยุดจุดหนึ่งซึ่งเจ้าตัวเอาชนะไม่ได้ แม้เขาจะพยายามแล้วพยายามเล่าเพื่อเอาชนะมันจนกว่าเมื่อใดเขาจะมีจิตใจเข้มแข็งที่สุดเด็ดเดียวที่สุดโดยการค่อยๆ อ, อบรมฝึกหัดเอาชนะมันไปทีละเล็กทีละน้อย ความสุขความทุกข์ความชื่นบานหันษาและระทมเศร้านั้นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของชีวิตที่ดิ้นรนทั้งมวลชีวิตย่อมเป็นไปตามแรงดันแห่งกรรมดังนั้นมนุษย์ทุกชีวิตจึงเป็นสนามสำหรับทดลองแรงแห่งกรรมเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่เราจะต้องปลดเปลื้องและชดใช้นี่เราไม่ใช้ในวันนี้ก็ต้องใช้ในวันหน้า เรื่องที่จะหลีกเลี่ยงนั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ยากยิ่งนักพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเราจะต้องแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราจะต้องเจ็บเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไปไปม่ได้เราจะต้องตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของพึงใจเป็นธรรมดา เราจะต้องรับมรดกแห่งกรรมทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามเราจะต้องรับผลแห่งกรรมนั้นมนุษย์เราบางทีก็วัดคุณค่าของคนกันที่เปลือกยิ่งมีเปลือกหนามากเท่าใด ก็แสดงถึงความเป็นคนอันสมบูรณ์มากขึ้นเพียงนั้นยศศักดิ์ตำแหน่งฐานะเหล่านี้เป็นเปลือกของคนเป็นสิ่งห่อหุ้มมิให้เห็นตัวคนจริงบางคนหลงไหลในเปลือกของตนจนความเป็นมนุษย์ไม่เหลืออยู่ในเรือนร่างเลยชีวิตนี้ไม่มีอะไรนอกจากความว่างเปล่าความเหน็ดเหนื่อยและทนทุกข์ทรมาน จนกว่าความแตกดับจะมาถึงชีวิตกระเสือกกระสนอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ถึงกระนั้นมนุษย์ก็ยังพอใจที่จะก่อให้เกิดชีวิตใหม่ขึ้นเพื่อรับมรดกแห่งความทุกข์ทรมานไปอีกไม่มีที่สิ้นสุด ชีวิตมีกำไรกำไรแห่งชีวิตช่างเป็นความเข้าใจผิดของมนุษย์บางพวกอะไรเช่นนั้นที่เข้าใจว่ากำไรแห่งชีวิตยอยู่ที่การตามใจตัวเองในการสแสวงหาความสุขความสำราญตามที่ใจปรารถนาแล้วเขาก็ปล่อยกายปล่อยใจให้จมดิ่งลงไปคลุกเคล้ากับโลกียรมอบา ย, ยมุกและหายานวิธีนานาประการ เทาที่โอกาสอำนาจและเงินตราจะอำนวยให้ทั้งนี้เพื่อจะให้ได้มาซึ่งสิ่งสิ่งเดียวที่เขาพากันเข้าใจกันว่ามันเป็นกำไรแห่งชีวิตอะไรเล่าจะทรมานจิตใจมนุษย์ ยิ่งไปกว่าการสำนึกผิดโดยไม่มีทางแก้มันเป็นแผลใจที่ยากจะลบเลือนหายแต่จงอภัยเถิดคนที่เคยสำนึกอย่างลึกซึ้งในบาปชนิดใดมาแล้วเขาจะไม่ทําบาปชนิดนั้นอีกไม่ว่าจะถูกยั่วยวนสักปานใดทั้งนี้เท่าเขาสำนึกบาปนั้นคอยกระตุ้นเตือนจิตอยู่เสมอไม่มีอะไรอีกแล้วในโลกนี้ ที่จะทรมานจิตใจคนยิ่งไปกว่าแผลแห่งบาปมนุษย์เกิดมาจะต้องทำบาปกรรมบ้างไม่มากก็น้อยแต่เมื่อสำนึกบาปแล้วน่าจะต้องพยายามละเสียและไม่คิดจะทำอีกไม่มีอะไรสายเกินแก้ขอให้เริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่แล้วข้างหน้าจะดีเองอย่าท้อใจเลยแม้จะสูญเสียอะไรไปหมดแล้วแต่อนาคต ยังมีให้อยู่เสมออนาคตยังเป็นของคนทุกคนความสงสารเป็นทับหน้าของความรักสำหรับชายพอๆกับความละอายเป็นเบื้องต้นแห่งความรักของผู้หญิงและความรัก ที่เริ่มต้นด้วยความสงสารนั้นยากนักจะสลัดได้เหมือนความตายซึ่งเริ่มป่วยเพราะฉลายากนักที่จะเยียวยาให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพเดิมมีอะไรอีกไหมในโรคนี้ที่มีอำนาจยั่วยวนใจให้หลงไหลไฝ่ปองเร่งเรา้าให้จิตใจระลึกถึงด้วยความกังวลยิ่งไปกว่าความรักในความรัก มีบรรยากาศที่ประหลาดที่สุดบรรยากาศแห่งความรักมีทั้งอบอุ่นเร่าร้อนและหนาวเหน็บมีทั้งความสุขและเศร้าระคนกันมีทั้งความดีใจและน้อยใจเสียใจมันเป็นทั้งยาบำรุงและยาพิษ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 ตนควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรควรจะปฏิบัติต่อความรักอย่างไรนั้นก็ถูกความรักย่ำยีสียจนเกือบจะหาตัวไม่พบเสียแล้วในการมาพบนี้อะไรเล่าจะเป็นเครื่องผูกมัดใจคนให้ดินน้นรนหลุดได้ยาก ยิ่งไปกว่าการผูกมัดด้วยโลกีมันเคยทำให้บิดามารดาลืมบุตรธิดาลูกลืมพ่อแม่พระราชาลืม แ, แว่นแควนมิดลืมมิดมามากต่อมากแล้วมันมีเหตุสืบเนื่องไปจากความลืมตัวลืมตนความมัวเมาความมืดบอดเพราะอำนาจแห่งความดื่มดำในรสสัมผัสอันรัดลึงใจ บุคคลผู้จองหองทนงตนไม่ยอมก้มศรีรษะให้ใครแม้แต่เทวาทิราช จ, จอมสวรรค์แต่ก็ยอมก้มให้แก่แรงโลกีนั้นเมื่อความเสน่หาใช้มนุษย์มนุษย์ก็ไม่ค่อยผลัดเพี้ยนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งดังนั้นเครื่องผูกมัดคือความเสน่หาจึงเป็นเครื่องผูกที่เหนียวแน่นมั่นคง เมื่อมันคล้องใจดวงใดเข้าแล้วเป็นการยากนักที่จะสลัดให้หลุดความพล่องนั่นเองทำให้คนต้องแสวงหาความรักและสิ่งที่รักที่คนรักกันนั้นไม่ใช่เพราะมีอารมณ์รักแต่เพราะเขารู้สึกว่า ถาไม่ได้รักดูเหมือนว่าจะขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งในชีวิตตราบใดที่ยังมีความรักตราบนั้นดูเหมือนว่าชีวิตยังไม่มีความสมบูรณ์แท้ฉะนั้นการที่เรารักกันจึงไม่ใช่เพราะความรักอะไรเลยที่แท้เป็นเพราะความรักช่วยให้เรามีความรู้สึกสมบูรณ์ไม่ขาดไม่พร่องดังนั้นผู้ที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตน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 บางคนประสบความสำเร็จในชีวิตสูงแต่ก็ไม่เคยประสบผลสาเร็จในเรื่องของความรักคนที่จะได้มาก็มองไม่เห็นว่าดีส่วนคนที่เห็นว่าดีก็ไม่มีทางจะได้คนที่เราปองใจใฝ่หาก็พยายามจะเลี่ยงหนีคนที่พยายามหลีกหนีก็พยายามวิ่งตามไม่มีความพอดีในเรื่องรักความรัก จึงเป็นสิ่งทรมานใจทั้งคนวิ่งหนีและคนตามจริงอยู่ความรักเป็นสะพานเชื่อมชีวิตให้เนื่องถึงกันอย่างสนิทนั่นแต่ตัวความรักนั่นแหละที่เป็นสิ่งทำลายสะพานแห่งชีวิตนั้นเมื่อความรักสลายลงเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทรยศแทนที่สายใหญ่แห่งมิตรภาพจะยงคงเหลืออยู่บ้างแต่ มันก็กลับกลายไปเป็นความข้างแค้นเกลียดชังเพราะหัวใจได้รับความระกำชอกช้ำเสียแล้วลำพังแต่ความแค้นอย่างเดียวอันสืบเนื่องมาจากเรื่องอื่นๆคงไม่ทำให้หัวใจบอบช้ำมากนักแต่ถ้าความแค้นนั้นสืบเนื่องมาจากความรักแล้วมันเป็นประหนึ่งดื่มน้ำขมผสมน้ำหวานรสชาติจึงโลดพ้นแสลงอารมณ์ อย่างมากยากที่จะอธิบายได้สิ่งที่ทำด้วยอารมณ์นั้นมักจะมีผลย้อนกลับมาเป็นความขมขื่นเสมอความผิดพลาดบางอย่างในชีวิตเป็นสนิมเกาะกินดวงใจอยู่อย่างหนาแน่น จะชะล้างด้วยน้ำตาสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นอันหมดสิ้นได้มนุษย์เราอยากได้ใครสักคนหนึ่งซึ่งยอมรับรู้ในความทุกข์ยากของเขาบางทีเขาไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาต้องการเพียงให้ใครสักคนหนึ่งยอมรับรู้ในความทุกข์ยากของเขาเท่านั้นดังนั้นเราจึงมักได้ยินใครต่อใครมาระบายความกรุ่มอกกรุ่มใจให้ฟัง แล้วเขาก็จากไปด้วยความรู้สึกเบาสบายตราบใดที่มนุษย์ยังยอมเป็นทาสแห่งอารมณ์ยังไม่เป็นนายของตัวเองยังเอาชนะตนเองไม่ได้ตราบนั้นมนุษย์ก็ต้องสแสวงหาที่พึ่งทางอารมณ์และทางจิตใจ จากภายนอกอยู่ร่าไปสิ่งที่ทำให้บุคคลลาบากเดือดร้อนอยู่เสมอนั้นไม่ใช่สิ่งภายนอกหรืออื่นใดอันที่แท้มันคืออารมณ์ตัวซึ่งคอยรบเรา้าเงางอดไปในทางใดทางหนึ่งที่เจ้าตัวพยายามแต่ก็เอาชนะไม่ได้อารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์โกรธอารมณ์หลงคลุกเคล้าผสมผสาน อยู่ในกระแสฐานแห่งชีวิตอันไหลเลื่อนอยู่มิขาดสายธรรมดาโลกสิ่งที่เราหวังมักไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่ไม่ได้ต้องการมักจะพลั้งพลู ก, กันมาจะเป็นความผิดของธรรมชาติ หรือของบุคคลกันเล่าถ้าจะเป็นความผิดของบุคคลก็ตรงที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะหวังเอาแต่ความพอใจของตัวอะไรที่ตนพอใจก็สร้างความหวังขึ้นไว้โดยไม่ค่อยได้คํานึงว่าสิ่งที่ตนหวังนั้นจะเหมาะสมกับตนหรือไม่เขาต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่สําคัญว่าสวยงามอันทุกคนปรารถนา และทุกคนมักจะคิดว่าความปรารถนาของเขาควรจะประสบผลสำเร็จได้รับความตอบแทนก่อนความปรารถนาของใครหมดชีวิตทุกชีวิตย่อมดำเนินไปตามคันลองแห่งกรรมและเจตจำนงที่เจ้าของชีวิตสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปรอยแห่งกรรมปัจจุบันจิงอยู่ชีวิตมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นสิ่งสร้างสรรค์ และจำแนกชีวิตของมนุษย์ให้ต่างกันแต่จะโทษกรรมอย่างไรในเมื่อมนุษย์เป็นผู้สร้างกรรมนั้นขึ้นมาเองก่อนแล้วผลของกรรมก็ยอกย้อนมาหาผู้ที่กระทาในภายหลังบางครั้งก็ต้องมีหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาทนเสวยผลแห่งกรรมไปจนกว่าจะหมดฤทธิ์ของมัน ผู้ที่ป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากความเสื่อมชื่อว่าช่วยป้องกันผู้อื่นด้วยและผู้ที่ป้องกันผู้อื่นจากภัยพิบัติก็ชื่อว่าได้ป้องกันตนเองพร้อมๆกันไปอุปมาเหมือนเมื่อไฟไหม้บ้านของเราถ้าไม่รีบดับไฟนั้นเสียก็จะลุกลามไปไหม้บ้านคนอื่นด้วยหรือเมื่อไฟไหม้บ้านคนอื่นถ้าไม่ช่วยกันดับ ไฟนั้นจะลุกรามมาไหม้บ้านของเราด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นจงคุ้มครองตนด้วยดีและคุ้มครองผู้อื่นให้ดีด้วยมีอยู่เสมอและบ่อยครั้งที่บุคคลบางคนประกอบก ร, รมชั่วโดยสำคัญว่าไม่มีใครจะร่วงรู้แต่ความจริงมักจะเป็นว่าผู้นั้นเองไม่ได้ร่วงรู้ว่าการกระทําของตน ได้เป็นที่ร่วงรู้กันหมดแล้วเพียงแต่ยังไม่มีใครพูดให้เข้าหูเขาเท่านั้นเขาจึงสำคัญผิดอยู่ตลอดไปถ้าประมาทมัวเมาประกอบกรรมชั่วอย่างเดียวซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีที่สิ้นสุดสักวันหนึ่งเมื่อผลแห่งกรรมชั่วสุกงอมแล้วมันจะแสดงบทของมันออกมาเองมันจะเผยตัวของมันเอง ความลับสำหรับผู้ทำบาปไม่มีในโลกเพราะแม้ผู้อื่นไม่เห็นตนก็เป็นคนเห็นบุคคลจะไปอยู่หน้าปากเขาลำนาภัย่ห้วงระหารฐานน้ำหรือบนท้องฟ้ามหาสมุทรแม้จะว่างจากผู้อื่นแต่ก็ไม่เคยว่างจากตนเองเลยมนุษย์เราส่วนใหญ่ได้มีความสำนึกอยู่บ้างหรือไม่ว่าเราเกิดมาเป็นาธาตุของโลก พวกเราพากันกระเสือกกระสนอยู่ในป่าแห่งชีวิตป่าซึ่งระดับไปด้วยเรียวหนามคือความระกำช้ำชอกพวกเราพากันแหวกว่ายอยู่ในสายธารแห่งชีวิตสายธารที่ไหลวกวนหมุนเวียนเยินช่ำและเร่าร้อนอยู่ด้วยความสมหวังผิดหวังเพื่ออะไรลึ้เราจึงกระเสือกกระสนและแหวกว่ายกันอยู่ในทะเลชีวิต ลราแวกไหว้ชูมือกันขวักไฟอยู่ในทะเลน้ําเค็มเมื่อกระหายก็ดื่มยิ่งดื่มยิ่งกระหายโลกียาลมนั่นเองยิ่งดื่มยิ่งกระหายการกระเสือกกระสนเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขอันสมบูรณ์ก็เป็นสิ่งไร้ผลดังนั้นมนุษย์เราจึงต้องเป็นทาสของความดิ้นรนกันต่อไปเป็นเหยื่อของโลก คลุกคลีกับเหยื่อของโลกกันต่อไปและแล้วก็จบฉากชีวิตลงด้วยน้ำตาและความเศร้าถ้าพวกเรากระเสือกกระสนเพื่อความมั่งคั่งสมบูรณ์ทางทรัพย์สินเพื่อให้มีทุกสิ่งทุกอย่าง เสนอสนองความอยากซึ่งมีลักษณะวิ่งออกนอกหน้าเสมอแล้วเราเคยสำรวจบ้างหรือไม่ว่าความมั่งคั่งพังพร้อมทางทรัพย์สินได้มาทำให้เราขาดแคลนความเมตตาปลานีมักจะกลายเป็นพิษในภายหลังประหนึ่งอาหารที่ไม่ย่อยทำให้ผู้บริโภคทนทุกทรมานอันธรรมดาทรัพย์สินสบัติทั้งปวง ย่อมตกอยู่ภายใต้กฎสามประการคือถูกใช้สอยให้หมดไปพังพินาศไปเองเจ้าของทรัพย์ย่อมตายจากไปทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายความตายมันค่อนข้างจะเป็นศัตรูอย่างร้กาศของคนมั่งคั่งร่ำรวยแต่มันก็เป็นมิตรที่ดีของคนยากจนที่ไม่มีอะไรจะกินเป็นมิตรของคนชราและคนทุพพลภาพ ความดีเป็นสิ่งที่ต้องสะสมกันนานแต่ความชั่วเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำลายความดีที่เคยสั่งสมมานานได้ในช่วงระยะเวลาเพียงเล็กน้อยคนที่เคยสกรปรกเปื่อเปื่อนเพราะคุกกับดินโคลนเมื่อขึ้นจากดินโคลนแล้วชำระร่างกายให้สะอาดลูบไล้ด้วยของหอมเราจะเรียกคนคนนั้นว่ายังเปื่เปื่อนอยู่อีกหรือ อย่างดีเราก็กล่าวได้เพียงว่าเราเคยเปลือเปื้อนเท่านั้นอีกอุปมาหนึ่งเราลองเอาก้อนหิมะมาวางไว้ในถาดให้มันละลายแล้วนําน้ํานั้นไปต้มเมื่อถึงจุดที่ควรจะเดือดมันก็เดือดได้การแปลสภาพของสิ่งต่างๆเป็นอยู่ยังกล่าวนี้จิตใจของคนก็เหมือนกันเมื่ออบรมให้ดีก็ดีได้ เมื่ออบรมให้ชั่วและถูกสิ่งแวดล้อมที่ชั่วดึงไปก็อาจทำให้ชั่วได้ผู้มีทรัพย์ย่อมมีภัยอันตรายเสมอเช่นราชภัยอุทกภัยอักคีภัยโจลภัย และการพิพาทระหว่างผู้ร่วมมรดกผู้มีทรัพย์จึงเป็นเสมือนผู้มีชีวิตอันมรณะภัยคุกคามตามตัวอยู่ทุกลมปรานถ้าสละความกระหายอยากมั่งมีให้หมดไปแล้วใครเล่าจะเป็นคนเข็นใจและใครเล่าจะเป็นคนมั่งมีแต่เพราะความกระหายอยากโน่นอยากนี่ตัางหากเล่าจึงบังคับให้มนุษย์ปั่นป่วน อยู่ตลอดเวลาดอกไม้ย่อมมีหลายลำดับคือดอกตูมดอกแย้มดอกบานในที่สุดก็ร่วงร่นดูกก่อนกุมาลาและกุมาลีทั้งหลายชีวิตก็เปรียบเหมือนดอกไม้ ผู้ใดรู้ผู้นั่นเป็นบัณฑิตความรู้ก็มีหลายอย่างคือรู้ตามเขาว่าหรือรู้ตามตำรากับรู้ทันรู้เท่าหรือรู้แล้วหาประโยชน์ได้ดูก่อนกุมาลาและกุมาลีทั้งหลายจงรู้ให้เท่าทันชีวิตแล้วท่านก็จะได้ไม่ดีใจจนลืมตัวเมื่อรุ่งเลืองจะได้ไม่เสียน้ำตาเศร้าโศกเมื่อร่วงโรย จิตของคนในโลกย่อมไหลไปตามกระแสโลกบางคนติดหรือพอใจในทรัพย์ก็ถือเรื่องทรัพย์เป็นสำคัญที่สุดบางคนติดหรือพอใจในรูปก็ถือรูปเป็นสาคัญที่สุดบางคนติดหรือพอใจในชาติสกุลก็ถือชาติสกุลเป็นสำคัญที่สุดคนเราจะเป็นคนเลวคนดีเพราะชาติสกุลก็หาไม่แต่เลวดี เพราะการกระทาต่างหากนอกจากนั้นศัพท์และสกุลวงไม่ได้ทำให้คนบริสุทธิ์สะอาดได้คนจะบริสุทธิ์สะอาดได้จะต้องประกอบด้วยการกระทาความรู้ธรรมะและศีลการคองชีอันอุดมคือการต้องอยู่ในศีลธรรมนั้นต่างหากที่ทำให้ผู้เกิดมาแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ หลายเล่าคือเหตุแห่งสุขในโลกนี้ทรัพ์หรือถ้ารัพ์เป็นเหตุให้เกิดสุขจริงเหตุฉไนผู้มีทรัพ์นับประมาณไม่ได้จึงมีความทุกข์อย่างสาหัสความสมหวังในความรักหรือถ้าความสมหวังดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความสุขจริงฉไนผู้ที่สมหวังมาแล้วจึงกลับข่ากันเพราะความรักนั้นหรือบางลายไม่ถึงขนาดนั้น แต่ก็ต้องแตกแยกอยู่ร่วมกันไปอีกไม่ได้ผู้ต้องการทำชีวิตมิให้เป็นโมฆะหรือเปล่าประโยชน์ควรเปลี่ยนจากความเคยชินในการเพ่งโทษผู้อื่นมาเป็นเพ่งโทษตัวเองตรวจตาแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เพราะการเพ่งโทษที่ผู้อื่นนั้นมิได้ทําให้ตัวของเราดีขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างไรส่วนการเพ่งโทษตัวมันตรวจตาแก้ไขความประพฤติของตัวเองนั้นเหมือนช่างทองกําจัดมลทินแห่งเงินทองหรือเหมือนคนส่องดูเงาของตัวในน้ำหรือในแว่นสําหรับส่องเงาหน้าแล้วขจัดมลทินที่หน้าของตนย่อมดีกว่า การคอยตำหนิผู้อื่นทั้งตนเองก็จะมีโอกาสทำความเจริญให้แก่ตนเองอยู่เป็นนิดคนที่ไม่จนทรัพย์หรือมั่งมีทรัพย์แล้วแต่ยังยากจนคุณธรรมก็ชื่อว่า ยังขาดประโยชน์ที่พึ่งได้อย่างสำคัญเพราะลำพังการมีทรัพย์ไม่สามารถแก้ความยากจนทั้งจิตใจได้คนที่ขาดคุณธรรมมีความประพฤติบกพร่องนั้นเปรียบเสมือนไม้ที่ถูกไฟไหม้ทั้งสองด้านทั้งตรงกลางก็เปื่อนอุจจระจึงใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ทั้งในป่าและในบ้านครั้นแล้วจึงทรงสั่งสอนให้มีคุณธรรมเช่น ความเชื่อในทางที่ถูกการตั้งอยู่ในศีลการรู้จักเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คิดแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นและการใช้ปัญญาในกลาดของชีพต่อจากนั้นจึงได้ทรงแสดงถึงประโยชน์อันสูงสุดคือพระนิพพานสภาพที่ดับความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการทั้งปวงโดยชี้ข้อปฏิบัติเป็นขั้นเพื่อให้ได้บรรลุธรรมบรรลุประโยชน์ และความสุขอันสูงสุดนั้นดูก่อนมนุษย์ทั้งหลายถ้าท่านอยากพ้นจากความจนจงขยันหมั่นเพียร จงใช้จ่ายพอเหมาะพอสมอย่าลืมตัวจงอย่า ง, งอมืองอเท้าคอยแต่โชคชะตาจงเร่งหาวิชาความรู้จงฝึกหัดให้เชี่ยวชาญในอาชีพจงลงมือทำงานเสียแต่วันนี้จงอย่าดูหมิ่นการประหยัดทีละน้อยแล้วท่านจะพ้นจากความยากจนได้โดยแท้ คนที่เห็นแก่ปากท้องเห็นความสำคัญแค่ทรัพย์สินเงินทองก็เปรียบเสมือนคนที่เดินขึ้นบันไดปราสาทได้เพียงขั้นเดียวแล้วนั่งนอนอยู่บนบันไดนั้นไม่ยอมก้าวให้สูงขึ้นไปกว่านั้นไม่ยอมขึ้นขั้นที่สองขั้นที่สามแล้วก้าวขึ้นสู่พื้นปราสาทเพราะเข้าใจว่าการนั่งนอนบนขั้นใบใดนั้นคือสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งยวดในชีวิต เขาอาจจะพอใจและภูมิใจในการได้นั่งนอนบนบันไดขั้นนั้นแต่คนอื่นที่มีปัญญามองเห็นย่อมปรงสังเวชในความเข้าใจผิดคิดผิดและปฏิบัติผิดของบุคคลนั้น